สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหนึ่งพงศษบทที่6ครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่13นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าในปีที่480หลังจากที่อิสเปเรลออกมาจากอียิปต์นับเป็นปีที่4แห่งราชะการซูลมอนตรงกับเดือนซีฟซึ่งเป็นเดือนที่สอง พระองค์ทรงเริ่มการสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิหารที่กษัตริย์โซโลมอนสร้างถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้ายาว62ซอกกว้าง22ซอกสูง32ศอกมุกนะหน้าห้องโถงของพระวิหารยาวเท่ากับความกว้างของตัวพระวิหารคือ22ซอกและลึกจากด้านหน้า12ซอกทรงสร้างช่องหน้าต่างด้านบนที่เป็นช่องแสงในพระวิหาร โครงทรงสร้างโครงสร้างนอกอาคารนี้เพื่อสร้างเป็นห้องต่างๆติดกำแพงด้านนอกของพระวิหารไปโดยรอบชั้นล่างสุดกว้างห้าอกชั้น 2, สองกว้างหกอกชั้น 3, สามกว้าง7ศอกในแต่ละชั้นของผนังด้านนอกพระวิหารจะยักเข้าเป็นบ่าเพื่อไม่ให้คานยื่นเข้าไปในพระวิหารการก่อสร้างพระวิหารใช้แต่หินที่สกัดมาเรียบร้อยแล้วจากเหมืองหิน จึงไม่มีเสียงค้อนเหล็กสกัดหรือเครื่องมือเหล็กในบริเวณพระวิหารขณะก่อสร้างทางเข้าชั้นล่างสุดอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารมีบันไดขึ้นไปยังชั้น2ชั้นสเป็นอันว่าพปรงทรงสร้างพระวิหารเสร็จทำหลังคาด้วยคานและกระดานไม้สนสีดาทรงสร้างห้องข้างรอบพระวิหารสูงชั้นละหศอก เชื่อมต่อกับพระวิหารโดยใช้คานไม้สนศีดาพระดารัสขององค์พระผุ้เป็นเจ้ามาถึงโซโลมอนว่าเกี่ยวกับวิหารที่เจ้าสร้างอยู่นี้หากเจ้าทำตามกฎหมายของเรารักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบและํำบัญชาทั้งสิ้นของเราเราก็จะกระทําให้สัญญาที่เราให้กับดาวิดราชบิดาของเจ้าสาเร็จผ่านทางเจ้าและเราจะสถิตกับชนชาติอิสราเอล ประชากรของเราและจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาเลยพี่น้องครับโซรมอนนั้นได้ทรงสร้างพระวิหารในปีที่480หลังจากออกมาจากอียิปต์ครับและสร้างในปีที่4แห่งการครองราชของเขาสร้างในเดือนที่สองคือเดือนซีฟเราจะพบว่าเมื่อเราเทียบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพระกมภีร์เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่สร้างพระวิหารนั้น เราก็แน่ใจครับว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับบันทึกประวัติศาสตร์ของอัลซีเรียทำให้ระบุได้ว่าปีที่4ของรัชการโซโลมอนนั้นคือปีที่9ก6ก่อนคิเทศกรศาชครับพูดง่ายงายก็คือว่าการสร้างพระวิหารของโซโลมอนนั้นอยู่ที่ประมาณลบ 1,000 ปีจากพระเยซูหมายความว่าถ้าเราถอยหลังจากพระเยซู นับถอยหลังไป1000ปีก็คือเวลาที่พระวิหารนั้นถูกสร้างซึ่งถือว่าเป็นเวลาโดยประมาณนะครับพี่น้องครับทำให้เราจำง่ายครับว่าดาวิดโซโลมอนนั้นอยู่ห่างจากเปเยซู1000ปีพี่น้องครับนี่คือประเด็นที่มีความหมายเพราะเนื่องจากว่าการสร้างพระวิหารและประวัติศาสตร์ต่างของอิสราเอลนั้นก็สามารถเทียบได้กับประวัติศาสตร์โลกครับ ทำให้เรามั่นใจว่าพรอเจ้านะของพระเจ้าซึ่งบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์นั้นมีความแม่นยำครับขนาดของพระวิหารนะครับก็จำง่ายๆครับยาว60สอกกว้างยี่สอกสูง30ศสอกยาวเป็นสามเท่าของกว้างครับสูงเป็นครึ่งหนึ่งของยาว เ, เพียงแต่เท่านั้นครับขา้าราชบริพารก็เลยสร้างโครงสร้างนอกอาคารเพื่อสร้างเป็นห้องต่างๆติด ก, กําแพงด้านนอกของพระวิหารโดยรอบครับซึ่งพระวิหารเป็นพระวิหารที่ยิ่งใหญ่ครับเนื่องจากว่าจําลองแบบมาจากพับผาพี่น้องโคงจําได้ครับว่าพับผานั้นก็คือเต็นท์นัดพบที่พระเจ้าได้ทรงสั่งให้โมเสสสร้างพระเจ้าสั่งให้โมเสสสร้างมาประมาณ500ปีนะครับ 500ปีและหลังจาก500ปีอิสราเอลก็ได้พระวิหารหลังใหญ่หลังมะหือมาครับวิธีการสร้างพระวิหารนี้เขาตัดหินมาและ ส, สกัดเรียบร้อยนะครับนั่นหมายความว่ามีแบบแปลนที่ดีมากครับและก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอเมซิ่งนะครับน่าประหลาดใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เขาสร้างนะเขาเอาหินมาประกบกันครับ แล้วก็ไม่ต้องใช้คอ้อนใช้เหล็กสกัดหรือเครื่องมือเหล็กในบริเวณพระวิหารขณะก่อสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและก็ไม่มีเสียงคอ้อนหรือเสียงเครื่องมืออื่นๆในบริเวณอาคารหมายความว่าหินนั้นก็ถูกสกัดตัดแต่งจากเหมืองหินที่อยู่ไกลออกไปนะครับแสดงว่าลักษณะการสร้างนี้ โดยรายละเอียดแล้วเป็นการใส่ใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อเป็นการแสดงความเคารพจงรักภักดีและยำเกรงพระเจ้าและพระเจ้าได้ประทับอยู่ในพระวิหารหลังนี้พวกเขานั้นทาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเขาสร้างพระวิหารเพื่อเป็นเครื่องถวายหรือของถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พี่น้องครับชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้าหรือทําอะไรให้กับพระเจ้านะครับเราจะต้องเอาใจใส่ครับเราจะต้องสัตซ์ซื่อเราจะต้องให้เกียรติพระเจ้าเหมือนกับที่โซลโมนสร้างพระวิหารท่านไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล็กเลยไม่มีโปก๊กเป๊กโปก๊กเป๊กไม่มีครับก็ทําให้เราได้บทเรียนว่าในการนมัสการพระเจ้าหรือในการทําอะไรในนามของพระเจ้าจะต้องมีความละเอียดอ่อนครับ จะต้องตั้งใจจะต้องเอาใจใส่จะต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลยนั่นคือบทเรียนในวันนี้บทเรียนต่อไปครับพระเจ้าได้พูดกับโซโลมอนเมื่อขณะที่เขากำลังสร้างพระวิหารอยู่นั้นในข้อที่11ครับพระดำรัตมาถึงโซโลมอนบอกว่าเกี่ยวกับวิหารที่เจ้าสร้างอยู่นี้หากเจ้าทำตามกฎหมายของเรารักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำมัญนชาทั้งสิ้นของเราเราก็จะกระทำให้สัญญาที่เราให้กับดาวิดสำเร็จผ่านทางเจ้าเราจะสถิตกับชนชาติอิสราเอลและจะไม่ทอดทิ้งพวกเขาเลยพี่น้องครับการนับศการพระเจ้าในพระวิหารนะครับด้วยพิธีกรรมต่างๆหรือการสร้างโบสถ์สร้างพระวิหารถวายพระเจ้าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการเชื่อฟังครับเพราะเจนะของพระเจ้าได้ บอกว่าหากเจ้าทำตามกฎหมายรักษาบัญญัติปฏิบัติตามกฎระเบียบคำมัญนชาทั้งสิ้นของเราเราก็จะทำตามสัญญาครับพี่น้องครับความสำเร็จจะผ่านมาถึงชีวิตของเราเพราะเหตุที่เราได้รักษาบทบัญญัติของพระเจ้าพี่น้องครับการสร้างวิหารอย่างเดียวนั้นไม่ได้สามารถนำมาซึ่งพระพรของพระเจ้าเว้นไว้แต่เราจะต้องบวกการเชื่อฟังครับ พี่น้องครับการรับใช้พระเจ้าต้องสอดคล้องกับชีวิตที่เชื่อฟังหากว่าเรานั้นจะรับใช้พระเจ้าได้อย่างดีและขาดชีวิตที่เชื่อฟังนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์ครับพระสัญญามันเกิดไม่ได้พี่น้องครับความสาเร็จก็เกิดไม่ได้และการสถิตของพระเจ้ากับชนชาติที่ไม่บริสุทธิ์นะครับก็เกิดผลต่อเนื่องไม่ได้ครับพี่น้องครับพระเจ้า จะไม่ทอดทิ้งเราพระเจ้าจะสถิตยอยู่กับเราซึ่งเป็นชนชาติของพระองค์เมื่อเรามีหัวใจแห่งการเชื่อฟังครับเมื่อเรามีความตั้งใจความใส่ใจที่จะรักษากฎเกณฑ์และบทบัญญัติของพระเจ้าครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้ให้บทเรียนกับพวกเราในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับทุกคนไม่ว่าเราจะทาอะไรเพื่อพระเจ้าเราจะอยู่ในตาแหน่งไหนนะครับหรือเราจะ มีความรู้สึกอย่างไรความรักในพระเจ้าอย่างไรสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องแสดงออกด้วยการเชื่อฟังครับการเชื่อฟังนั้นเป็นหัวใจแห่งการรับใช้พระเจ้าเป็นหัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าเป็นหัวใจแห่งการถวายเกียรติพระเจ้าเป็นหัวใจที่เราจะต้องช่วยไว้อย่าให้ใจเราหายไปนะครับด้วยการเชื่อฟังเรา จะเข้าถึงพระเจ้าได้ครับด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าจะสถิตกับเราด้วยการเชื่อฟังพระของพระเจ้าจะไหลเข้ามาในชีวิตของเราอาเมน